พระรัตนตรัยคำนำในการพิมพ์ครั้งแรกผู้ที่จะศึกษาเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณให้เข้าใจอย่างทราบซึ้งนั้นประการแรกที่สุดที่จะต้องกระทำคือหัวข้อซึ่งเป็นคำบาลีพร้อมทั้งคำแปลสั้นๆดังที่นำมาพิมพ์ไว้ในอันดับต่อไปนี้จะต้องพยายามท่องจำให้ขึ้นใจพร้อมกับนึกแปลในใจได้ทันทีด้วยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมาก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 ซึ่งเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบวิชาจรณาสัมปันโนเป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชาและเจรณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกาวิถูเป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลกอนุตรโรพุริสธรรมมัสารถิเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้เบิกบานแล้วภัควาติเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้ธรรมคุณสวากขาโตภัควาตาธมโมพระธรรมคือคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นความจริงที่บุคคลพึงเห็นได้เองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่มีการเวลา คือให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาเอหิปัสิโกเป็นความจริงที่จะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้คือมีเหตุผลที่พิสูจน์ได้โอปันญิโกเป็นความดีที่ไกๆจะพึงน้อมนำเข้ามาในตนได้ปัจจตังเวทิตโพวินยูฮิติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งวินยูชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตัวดังนี้สังฆ ค, คุณ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 สามีจิตปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรยะที่ทางหมู่แห่งสาวกนี้คือใครจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาคือพระอริยบุคคลนับเป็นคู่ได้สี่นับเรียงองค์ได้แปดคือตั้งแต่โสดาบันถึงพระอระหัน์เอสภควโตสาวกสังโคนี่แหะ คือหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนยโยซึ่งเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับทักินนโยเป็นผู้ควรแกะทะ่ทัศนาทานคือของทำบุญอัญชลีก ร, รานิโยเป็นผู้ควรแก่การไหวอนุตตรังปุญยเขตตังโลกาติเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้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 พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสรู้เองโดยชอบพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทกราบไหว้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสวากขาโตพระวตาธโมพระธรรมคือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมสามิข้าพเจ้าขอนามสการซึ่งพระธรรม